สันแทนเพื่อนยากกนลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวนายากจนอาศาัยอยู่กับภรรยาและลูกเขายังมีสุนัขผู้พักดีชื่อสันแทนสันแทนอายุมากจนฟันร่วงหมดปากเขากัดไม่ได้ทั้งกินอาหารหรือป้องกันอันตรายเฮ้ hey. วันพรุ่งนี้เนี่ยข้าจะเอาเท่าซันแทนไปปล่อยปลาแล้วเขาไม่มีประโยชน์กับเราอีกแล้วภรรยาของเขารู้สึกสงสารเจ้าสุนักผู้พักดีมันอยู่กับเรามานานแล้วทั้งยังจงรักพักดีดูแลเรามาก็หลายปีเราเนะ่ะควรจะเลี้ยงดูมันจนมันตายนะอะไรนะเจ้านี่ไม่ฉลาดเอาซะเลยมันไม่มีฟันเหลือซักซี่แล้วจนที่ไหนจะกลัวล่ะ เมื่อก่อนเคยช่วยดูแลเราก็จริงแต่เราก็ให้อาหารตอบแทนมันแล้วและตอนนี้น่ะข้าก็ไม่มีเงินไม่มีอาหารเหลือให้เจ้าหมาที่ไร้ประโยชน์เจ้าหมาเฒ่านอนตากแดดเล่นอยู่ใกล้ๆได้ยินที่เจ้านายพูดและเสียใจที่พรุ่งนี้จะอยู่ที่นั่นเป็นวันสุดท้ายเย่าเรวเจ้านายไม่เห็นขํามีประโยชน์เขาจะทาอะไรสักอย่างไม่งั้นพวกนี้คงไม่มีบ้านอยู่ ต้องไปปรึกษาเจ้ามาป่าเพื่อนเราเจ้าสุนักย่องออกจากบ้านเข้าป่าเพื่อไปหาเจ้ามาป่าเขาเล่าเรื่องให้มาป่าฟังโอ้ตายจริงนักประทิษฐ์ น, น่าเศร้าน่าแต่ว่าจะเสียใจเลยเจ้าแค่ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเจ้ายังมีประโยชน์อยู่อาข้าคิดอะไรออกแล้วอะไรเหรออะไรฟังให้ดี พรุ่งนี้น่ะตอนรุ่งเช้าเจ้านายเจ้าและภรรยาจะไปเก็บหญ้าแห้งพวกเขาจะเอาลูกน้อยไปด้วยไม่มีใครอยู่บ้านปกติแล้วเวลาพวกเขาทำงานก็จะเอาลูกวางลบอยู่ในร่เจ้าก็แค่ต้องนอนเฝ้าอยู่ใกล้ๆเท่านั้นเองแล้วยังไงต่อข้าจะไปแล้วเจ้าก็จะรู้เอง แผนของเจ้าหมาป่าฟังดูน่ากลัวแต่เจ้าสุนักก็ทำตามด้วยความหวังว่ามันจะช่วยเขาได้วันต่อมาทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ชาวนาและภรรยาเก็บเกี่ยวในทุ่งนาสันแทนนอนเฝ้าเด็กน้อยตามสัญญาเจ้าหมาป่าก็เพลอออกมาเจ้ามาแล้วจะให้ข้าทำยังไงต่อล่ะเอาเลยสิ เจ้าหมาป่าคาบเด็กไปทำให้ซันแทนและพ่อแม่ตกใจกลัวซันแทนทึ่งกับการกระทำของเพื่อนเขาซันแทนเขาวิ่งไล่ตามเจ้าหมาป่าเข้าไปในป่าชาวนาและภรรยาเห็นจึงวิ่งตามซันแทนเจ้าจะพาเด็กไปไหนเจ้าหมาป่าเข้าไปในป่ามืดแล้วหยุดซันแทนมาถึงจึงเอ่ยเตือนเขาเจ้าจะทำร้ายเด็กน้อยไม่ได้ ที่ข้ามีชีวิตข้าไม่ได้จะทําร้ายเด็กน้อยแค่อยากทำให้เจ้านายเจ้าเห็นว่าเจ้าเป็นม้าที่ดีแค่ไหนเอาละ่ะพาเจ้าหนูน้อยนี่กลับไปหาเจ้านายซะเขาจะได้คิดว่าเจ้าช่วยชีวิตเด็กไว้เขาจะได้ไม่กล้าทําไม่ดีกับเจ้าและตรงข้ามพวกเขาจะรักเจ้ามากขึ้นอีกและพวกเขากจะไม่กล้าเอาเจ้าไปปล่อยเจ้ามาป่าคือเด็กน้อยให้ซันแทน และอวยพรให้โชคดีขอบใจเพื่อนเจ้าช่วยชีวิตข้าไว้ชาวนาและภรรยาเดินเข้ามาในป่าตะโกนเรียกหาและหยุดเมื่อเห็นสันแทนนำเด็กน้อยกลับมาอย่างปลอดภัยอ้อสันแทนเพื่อนยา ก, เ จ, า เ, ก, ากเจ้าเก่งมากเก่งมากเลยเจ้าช่วยลูกขา้าไว้พี่สุรเห็นแล้วว่าเจ้าดีแค่ไหนชาวนาดีใจ ก่อนลูบตัวซันแทนด้วยความรักแล้วเจ้ายังอยากจะเอาเมันไปทิ้งค้าขอโทษทีก็จะให้เจ้ากินขนมปังข้าไปจนตายเลยรีบกระบานกัะที่ละไปทำขนมปังนิ่มๆให้เจ้าสาวแทนมันกินมันจะได้ไม่ต้องกัดอะไรอีกแล้วก็เอาหมดของข้ามาให้มันหนุนด้วยนะตั้งแต่นั้นมาชีวิตของซันแทนก็เป็นดังหวัง ไม่นานต่อมาหมาป่าแวะมาเยี่ยมเยียนดูความสำเร็จของเขาแต่เขายังมีคำขอร้องที่อยากขอสั้นแทนข้าทำให้เจ้าสุขสบายข้าควรได้รับสิ่งตอบแทนนะได้อยู่แล้วเพื่อนข้าจะแบ่งอาหารเ ข, าข้าขหายเจ้าทุกวันเลยล่ะไม่ไม่ข้าจะหาอาหารเองเจ้าแค่ต้องกับพิบตาส่งสัญญาณ แล้วข้าจะมาเอาแกะตัวอ้วดๆของเจ้านายเจ้าฮะอะไรนะไม่มีวันข้าหักหลังเจ้านายไม่ได้ข้า ค, คงจะเสียใจอะนะเจ้าหมาป่าคิดว่าเรื่องนี้คงพูดกันตรงๆไม่ได้พลบค่ําเจ้าหมาป่าแอบย่องเข้ามาเอาแกะแต่เจ้าสันแทนรู้ว่าต้องเฝ้าระวังทังในใดที่เห็นหมาป่าเข้าเ่าส่งเสียง เจ้านาไล่ตีมาป่าด้วยไม้ท่อนใหญ่เจ้ามาวิ่งหนีไปและตะโกนบอกสุนัขว่าฟังกอาไว้ก่อนเถอะเจ้าจะต้องทดใช้เช้าวันต่อมาหมาป่าส่งหมูป่ามาเจรจาให้เจ้าสุนัขเข้าไปในป่าเพื่อสงบศึกเจ้าติดไม่เจ้ามาป่าไม่เจ้าแทนบุญคุณเจ้าต้องเข้าป่าไปขอโทษเจ้ามมาป่าที่ถูกเจ้านายของเจ้าตีซะ รีไปเลยซันแทนรู้ดีว่าไม่ใช่แค่ขอโทษแน่นเจ้าหมาป่าวางแผนจะเอาคืนซันแทนหาเพื่อนไปด้วยไม่ได้มีแต่เจ้าแมวสามขาที่ยอมไปด้วยในขณะที่พวกเขาออกเดินทางเจ้าแมวเดินขากระเพกบางครั้งก็เหยียดหางขึ้นตรงเพราะความเจ็บปวดอ้ยข้านะเจ็บขาจังเลย เจ้าแมวผู้น่าสงสารข้าจะไม่ลืมน้ำใจใเจ้าเจ้าหมาป่าและเพื่อนยืนรอเมื่อพวกเขาเห็นคู่อริใกล้เข้ามาพวกเขาคิดว่ามีเสือเขี้ยวดาบมาด้วยเพราะเข้าใจผิดคิดว่าหางแมวเป็นเขี้ยวโอ้เจ้าหมาแก่แซวแทนไปเจอกับเสือเขี้ยวดาบที่ไหนมาเนี่ยเขาจเจ้ามารุมแกในเจ้าหมาป่าเอ้ยมีแมวมาด้วยเหรออมาทไมกันเนี่ย เมื่อเห็นเจ้าแมวที่น่าสงสารเดินกระโดดด้วยสามขาพวกเขาคิดว่าแมวกำลังเก็บหินเตรียมป่าใส่พวกมันเจมบ้าป่อกเขาม า, า, มาจะไม่รอดแนะ่ข้าขอตัวก่อนดีกว่างั้นขาไปด้วยด้วยความกลัวเจ้าหมูป่าหลบซ่อนอยู่ในพุ่มไม้ส่วนเจ้าหมาป่าปีนขึ้นต้นไม้เมื่อเจ้าสุนัข ก, กับแมวมาถึงก็ไม่เห็นใครไม่เห็นมีใครเลย เจ้าหมูป่าซ่อนไม่มิดหูของมันยังเพลอออกมาให้เห็นเจ้าหมูป่าขยับหูไปมาเจ้าแมวตาดีได้เข้ามาเห็นเขาเหมียวข้าเห็นหนูเจ้าแมวคิดว่าเห็นหนูขยับไปมาจึงกระเดกกระทุบและกัดเท็มแรงเจ้าหมูป่ากรีดร้องส่งเสียงดังแล้ววิ่งห น, นีไป อยอย่าทำมะเลยคาตัวที่กดแขนอยู่ตรงนู้ด้วยความแปลกใจเจ้าสุนักและแมวเงยขึ้นมองบนต้นไม้และเห็นหมาป่าที่กำลังอับอายที่ผู้อื่นเห็นความขี้ขลาดของเขาเพื่อนยากเจาไปทำอะไรบนนั้นแมวกลัวแล้วสิถึงได้ไปนลบอยู่บนนั้นน่ะเจ้าหมาป่าปีนลงต้นไม้ด้วยความอับอายที่เป็นเพื่อนไม่ดีและยิ่งอับอายเพราะความขี้ขลาดของตนเอง แต่เจ้าสุนักเท่าสันแทนเข้าไปก่อนและปลอบใจเจ้าหมาป่าไม่เป็นไรข้าไม่ทำอะไรเจ้าหรอกเพื่อนเอ้ยเจ้าหมาป่าได้รับบทเรียนครั้งนี้และกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีของเจ้าสุนัก